คือไอ้ค่าตัวตายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกโยมเราเกิดมาเนี่ยความเป็นมนุษย์เกิดยากมากเกิดยากยากขนาดไหนพุทธเจ้าบอกว่าถ้าน้ําท่วมโลกนี่มั้ยน้ําโลกใบนี้ทําไมมีน้ําท่วมหมดเลยมีปลุดคนนึงหย่อนแอกไม้ภายซึ่ง ผู้เจาบอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอด 100 ปีผุดขึ้นมาหายใจทีนึง แต่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยผ่านความยากเธออย่าประมาทพึงกระทําโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิด มันก็จิวเดียวน้อยมากก็จิ๋วเดียวน้อยมากครบมีกาเทวดาอีกอ่ะสรรพรกอีกอ่ะเดรัจฉานนี่ไงมนุษย์ 6 ล้านนี่เทียบไม่ได้เลยพวกในล้านอีกมั้งเนี่ย และการฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปด้วยเพราะอะไรเพราะถ้ากระเทือทําปาณาติบาตว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคล อันบุคคลเพ่งคิดว่าอย่างนะมีอาการอย่างนี้นะอืมเพราะฉะนั้น